สวัสดีครับพี่น้องครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อเดิมนะครับชีวิตพระเยซูแต่เป็นตอนที่สิบสามและเป็นหัวข้อย่อยยอห์นเดบับบิสตอนที่สามนะครับผมอยากพี่น้องให้อภพัพวัจนะของพระเจ้าให้พี่น้องฟังนะครับในพระธรรมมาระโกโบทที่หนึ่งข้อที่สี่ท่านยอห์นผู้ให้บับติศมาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในถิ่นทุรกันดารท่านได้ประกาศให้กับใจใหม่ และรับปรับมาเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดาบาปเสียพี่น้องครับในข้อที่สองนั้นเราเห็นว่าพระธรรมอิสยาห์ผู้เผยชนะมีเขียนไว้ว่าเราใช้ชูดของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมันคาของท่านไว้เสียงผู้ร้องในสินธุ ก, กันดารว่าจงเตรียมันคาแห่งพระเป็นเจ้าจงกระทํามผลทางของพระองค์ให้ตรงไปนี่คือนี่คือสิ่งที่อมารโกนะครับได้เขียนเกี่ยวกับพันธกิจของยอห์นเดบับบิสนะครับและใน ลูกาบทที่สามนะครับลูกาบทที่สามก็ยังพูดถึงสิ่งที่ย อ, อนนั้นเดบับติสต์ได้ทำนะครับลูกาบทที่สามข้อสามครับแล้วยอนจึงไปทั่วลุ่มแม่น้ำจอแดนประกาศให้กับใจเสียใหม่และรับบัพติสมาเพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดยกความผิดบาปเสียตามที่ได้เขียนไว้ในหนังสือถ้อยคำอิสยาห์ผู้เปิดพัฒนะว่าเสียงผู้ร้องในถิ่นรักกันดารว่าจงเตียมันคแห่งพระเจ้า จงเตรียมกระทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปภูเขาทุกแห่งจะถมให้เต็มภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลงทางคดจะกลายเป็นทางตรงและทางที่สูงสูงต่ำต่ำจะกลายเป็นทางราบมนุษย์ทั้งปวงจะได้เห็นความรอดของพระเจ้ายอห์นจึงกล่าวแก่ประชาชนที่ออกมารับบัพต์มาจากท่านว่าเจ้าชาติงูร้ายใครได้เตือนเจ้าให้หนีจากทางจากพระอาทยาซึ่งจะมาถึงนั้นเหตุฉะนั้น จงพิสูจน์กันกับใจใหม่ของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่านึกเมาเอาในใจว่าตัวมีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะเราบอกเจ้าหลายว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจให้บุตรเกิดขึ้นกับอับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้บัตรนี้ขวานวางอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องตัดทิ้งแล้วโยนทิ้งในกองไฟพี่น้องครับในวันนี้นะครับ พูดถึงชีวิตของยอนเดียบับติสเกี่ยวเนื่องกับคําเทศนาของเขาการเทศนาของเขานั้นก็รุนแรงนะครับเข้มงวดและเฉียบขาดพระกัมภี์ทั้งสองตอนที่ผมอ่านไปนะครับบอกชัดเจนนะครับว่ายอนเทศนาเรื่องการกลับใจใหม่และการยกโทษบาปครับการกลับใจใหม่คืออะไรครับการกลับใจใหม่นั้นหมายถึงการหันหลังกลับนะครับการเปลี่ยนจิตใจ ความปรารถนาในการหันหลังกลับและการเปลี่ยนแปลงจิตใจนี้จะมีผลทําให้เปลี่ยนแนวทางความคิดทัศนคติและความประพฤติคําภาษากรีกนะครับในต้นฉบับพระมธีปภาคพันธสหม่ได้พูดถึงคําว่า repent นะครับหรือการกลับใจหมายถึงการหันหลังกลับครับการกลับใจคือการหันหลังกลับจากความชั่วร้ายหันหลังกลับจากความผิดความบาปนะครับหันหลังกลับจากพฤติกรรมต่างๆในอดีตที่ไม่ดี หันมาหาใครครับหันมาหาพระเจ้าการกลับใจนั้นอย่างเดียวนะครับไม่พอจะต้องหันกลับมาหาพระเจ้าด้วยนี่คือความหมายเต็มๆของคำว่า repent นะครับคำถามก็คือว่าทำไมชาวยิวทีเ่เชื่อพระเจ้าแล้วยังต้องกลับใจใหม่มาฟังคำเทศนาของยอนพี่น้องครับในช่วงระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่นี้คนยิวนั้นได้ถือว่าประชากรของพระเจ้านั้น คือคนที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระบัญญัติยอนนั้นเสนอหนทางใหม่ที่จะเป็นประชากรของพระเจ้าก็คือต้องกลับใจใหม่ครับหนันหนีจากความผิดบาปพี่น้องครับเป็นไปได้นะครับที่คนที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นประชากรของพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามานานแล้วเขานั้นมีความรู้สึกว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้าและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเป็นไปได้ครับที่เขายังไม่ได้กลับใจใหม่ เขายังได้บังเกิดใหม่ครับชีวิตของเขานั้นดูเหมือนว่าเชื่อฟังและปฏิบัติตามาศาสนาพิธีนะครับพิธีกรรมต่างๆแต่ว่าชีวิตจริงๆของเขานั้นยังทําผิดทําบาปอยู่และยังจมอยู่กับความผิดความบาปเดิมๆทั้งหลายยอนกําลังเสนอหนทางใหม่ในการที่จะเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงก็คือการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับ อย่าเมาเอาว่าตัวเองนั้นเป็นคนเชื่อฟังอย่าเมาเอาว่าตัวเองนั้นอยู่ในศาสนศา ส, ส น, heure, สสน uh, พิธีครับและเราจะเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับคนที่เป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือคนที่มีทัศนคติแห่งการกลับใจใหม่นะครับอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาทอมใจแสวงหาพระเจ้าว่าพระองค์คิดอย่างไรพระองค์ทำอย่างไรพระองค์ตัดสินอย่างไรและเราตัดสินตามแบบที่พระองค์ทาหรือเปล่าเราเข้าใจ อยากที่รงเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเขาพร้อมที่จะกลับใจใหม่ทันทีครับนี่คือทัศนติของคนที่จะเป็นลูกของพระเจ้าเขานั้นจะต้องมีทัศนติของการกลับใจใหม่เป็นอุปนิสัยประจําตัวครับว่าจะต้องกลับใจใหม่หันออกจากความผิดความบาปเสียพี่น้องครับเรามาดูต่อไปนะครับว่าพิธีปรับทิศมานั้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ยืนยันครับว่าบุคคลผู้นั้นกลับใจใหม่แล้ว นะครับไม่ใช่พิธีล้างบาสนะครับมีคนพยายามที่เอาไปเกี่ยวโยงกันระหว่างการขึ้นมาจากน้ำนะครับจะทำให้มีความรู้สึกว่าสะอาดเหมือนกับความสกปรกนั้นถูกล้างออกไปพี่น้องครับความหมายจริงๆของพิธีแบบพิสมานั่นเราเรียกว่าเป็นพิธีที่ใช้น้ำในการทำให้เกิดสั ญ, ญลักษณ์สัญญาณ น, นะครับให้กับคนมากมายเยอะแยะ ที่จะประกาศว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่กับใจใหม่แล้วก่อนหน้านั้นนะครับชาวยูวยึดถือธรรมเนียมชัมระตัวเองแต่ตอนนี้นะครับยอนให้แบบพติศมากับทุกคนที่เต็มใจยึดถือหนทางใหม่นี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ายอนกําลังเข้าสู่โหมดใหม่นะครับหรือมิติใหม่ของการถือศาสนาแต่ภายนอกซึ่งไม่เพียงพอครับยอนกําลังบอกว่า การถือศาสนาแต่ภายนอกไม่เพียงพอแต่การชำระจิตใจการกลับใจใหม่การหันหลังกลับจากความผิดความบาปนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าชาวยิวหลายคนที่ได้ยินได้ฟังยอนั้นโดยเพราะยิ่งผู้นําศาสนานั้นไม่ยอมรับและไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดใหม่นี้เพราะพวกเขานั้นถือว่าฐานะที่พวกตนนั้นเป็นเชื้อสายของอับราฮัมย่อมมีสิทธิ์เข้าแผ่นดินสวรรค์โดยออโต้ครับหรือเรียกว่าอัตโนมัติพี่น้องครับ พราะเจ้าน้าของพระเจ้าบันทึกว่าไม่เบียนไรพวกเขาไม่ยอมรับไม่เป็นไรแต่มีคนเป็นจํานวนมากครับยอมรับครับและสารภาพความผิดบาปของตัวเองและได้รับบัพตมาจากยอนในแม่น้ําจอแดนพระธรรมมารโกบทที่หนึ่งข้อห้าได้บันทึกนะครับมีคนมากมายครับสารภาพความผิดบาปของตัวเองและรับบัพติมาจากยอนที่นี่ทําให้เราเกิดบทเรียนที่ว่าเวลาที่เราออกไปประกาศนะครับหรือว่าเวลาที่เราสั่งสอนพระเจ้นะของพระเจ้านี่ หรือเวลาที่เรากําลังแบ่งปัพนพ ร, ระเจ้าของพระเจ้าหากพระเจ้าของพระเจ้านั้นเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตมีบางคนนะครับที่อาจจะแกวัดหน่อยมีบางคนที่อาจจะเข้าใจผิดเมาตัวเองว่าเป็นคนชอบทำเขาไม่ฟังไม่เป็นไรครับพี่น้องครับมีคนอีกมากมายครับที่อยากจะฟังพะงระเจ้าของพระเจ้ามีคนอีกมากมายครับเขาพร้อมที่จะสารภาพความผิดบาปของตัวของตัวเองและรับบัตรมาจากยอนในสมัยนั้นอย่างไรในสมัยนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันครับนะครับ ผมเองนั้นผมส่งข้อความต่างๆเหล่านี้นะครับไปให้คนมากมายครับมีคนบางคนไม่ชอบฟังนะครับเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ฟังแต่มีบางคนและหลายหลาคนจํานวนมากครับที่เขาอยากจะฟังพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่หนุนใจให้ผมเองนั้นลุกขึ้นมาแต่เช้าและทําสิ่งนี้ให้กับพี่น้องถ้าพี่น้องปรารถนาที่จะฟังนะครับผมเชื่อแน่ว่า ชีวิตของพี่น้องนั้นจะจเจริญขึ้นอย่างแน่นอนคําว่าการยกโทษความผิดบาสนะครับที่ใช้เนพระธรรมดูลกับที่สามข้อสามหมายความว่าการขจัดออกไปหรือยกเลิกการผูกพันนะครับยกเลิกพันธะอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกิดจากความบาปออกไปนั่นหมายความว่าเป็นการอภัยโทษบาปโดยพระเมตตาและพระกรุณาและพระคุณของพระเจ้าในขณะที่บาปนันป้นเปรียบเสมือนกับเป็นหนี้สินที่ต้องชาระครับเป็นพันธะ ที่จะต้องถูกลบล้างออกไปโดยความตายของพระเยซูที่ได้สละชีวิตเพื่อเราพ้นการกลับใจใหม่นั้นคือพระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากบาปนั่นเองพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตของเรานะครับเป็นการเสด็จมาของพระเยซูเป็นเทอร์โพสหรือเป็นจุดมุ่งหมายของการเสด็จมาของพระเยซูนั่นคือการทําให้มนุษย์พ้นจากความบาปและกลับคืนสู่อ้อมพระสวงของพระเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมน